เทศอบรมพระวันที่26มกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนดีมากเทศทำเป็นเครื่องประดับใจเรียนมากน้อยก็ไม่พ้นการอยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโส ในการฉันการใช้สอยและอื่นๆยานอนใจแยกทุกขเวทนาออกจากกายจากใจจนเห็นชัดด้วยสติปัญญารถธรรมชาติจากความบริสุทธิ์เหนือรถธรรมชาติของเผือกมันที่ต้มสุกแล้วนี่เขียนเรื่องธรรมของการเทศน้าเอกรุณาทราบตามนี้ การ น, นี้อัจให้ใครฟังก็ได้ปลุกใจดีมากคู่เทียงกับใจทอย่างเท่ากันเหมาะสมอย่างดีลัมบัตคือทำเป็นเครื่องประดับใจเสริมใจได้ไม่มีอะไรเหมือนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าพระกินาสุบท่านเมื่อ เลสัมผัสทเข้ามากน้อยย่อมปล่อยโลกรมิดเข้าไปโดยลำบาบเพราะสิ่ง น, นี้ไม่มีคุณค่าไม่มีลดค่ายิ่งกว่าทำขั้นนั้นไปออรู้ขั้นไหนก็ปล่อยไปเลยเรื่อยๆไม่ยังไม่รู้ก็ต้องยึดไปเสียก่อนไม่รู้เลยไม่สนใจกับทำเลยแล้วปฏิบัติไม่รู้ทำเลยมันก็ยึดไปหมดเพราะเห็นว่านั่นจะดีอนี่จะดีแม่ที่สุด ความโลภความกบความหลงมันซึ่งเป็นของไม่ดีเลยใครๆไปรู้มันก็ยังยึดยังถือมันยังโลภยังกบธยางหลงได้เพราะว่ายังมีที่ยึดจิตใจมันก็เลยเห็นอันนี้เป็นคุณค่าถ้าได้ดูได้ด่าเขาแล้วสบายนั่นเป็นความรู้สึกของจิตที่ไม่มีที่ยึดไม่มีอันใดที่จะดียิ่งกว่าเรื่องเหล่า น, นี้จึงต้องนําเรื่องเหล่า น, นี้มาแสดงมาประกาศหทั่วทุกตัวจัดตัวคนนั่นเอง เวลาปฏิบัติจิตใจเข้าไปพอเริ่มสัมผัสธรรมตั้งแต่ขั้นต้นเรื่องวันนี้ก็จะค่อยบอกไปเนี่ยแล้วค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆทำขันนี้ปล่อยวางโลามิฏขั้นนั้นคําขั้นนั้นชนะโลภมิตขั้นนั้นโลกภมิฏขั้นนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆคําว่าโลกภมิฏหมายถึงสมมติอั่นเองแม้แต่ในขันนี่มันก็เป็นโลกภมิตก็เรียกได้ผิดได้เพราะมันเป็นสมมติโดยกัร หนู้ราขับคิดั้งหมดทําเต็มใจเลยทำใจเต็มภูมิทำแล้วมันก็ปล่อยได้หมดเลยไม่ยึดมันถืออะไรแม้แต euh. ่จิตใจเองก็มียึดถือไปเงารถดทั้งททั้งน่ากรุดทั้งปวดมีสอนจริงสอนทางสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความสนใจจริงจิตใจปล่อปล่อยมากกับหมู่กับเพื่อน พอเราคเห็นประโยชน์อันสำคัญที่จะเกิดขึ้นให้ได้ชมภายในจิใจนี้ด้วยแล้วพวกเพื่อนจะได้ทาประโยชน์ต่อประชาชนทั่วโลกยืนแดนต่อไปด้วยนอกจามีอาขาดคนดีอาขาดคนดีเสียโลกนี้ก็เป็นปืนเป็นไฟได้ไดเพราะมีเส้ทเทนที่เิลิตทางานทพิลิตออกหน้าออกตาบังคับบัญชาไม่ว่าเดือนมากเดือนน้อยเดือนสูงเดือนต่ําขั้นไหนเป็นยาตีโทเอง ขันปรมาโูมันก็ไม่พ้นที่จะดูแตางหน้าของกิเลสและความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็กลายเป็นเพื่อนของกิเลสเมันอจึงทาโลกให้ร้อนอยู่ทั่วทั่วไปเราเห็นไม้ใช่หลือว่านี้ที่ไหนมันเย็นโลกไม่ว่าความรู้คนตลาดขนาดไหน่ถึงขนาดสร้างอาวุธปรายกรด้านมันก็ไม่เห็นคนที่จะนํามาตั้งศาลกันมันเป็นฉุกอเฉิน วันหนึ่งที่คน ว, วุ่นวายโย้โหมเป็นหาที่เวลาหลับนอนไม่ได้มันสุขหรือหนึ่งคนฉลาดทาไมจีต้องก่อความทุกข์ให้เกิดของนด้วยความวุ่นวายในเรื่องนั้นก็เพราะความรู้ทั้งหมดนี้มันเป็นเครื่องมือของสินต่ำทรามมันเองมันถึงจะทําความรู้ปวดยไม่ว่าจะชั้นมันนะความรู้สูงต่ำขนาดไหนมันต้องแบกคำถามเต็อมอย่างเป็นกำลัง ทำเสร็จจะเรียกว่าแบกไปไม่ไหวน่ด้วยกันเลย <S <S <an> <S สิ่งเหล่านี้มันไม่กระเสุดไม่กระสุดเท่าทันทำเกิดขึ้นในดวงใจมากน้อยแล้วจะค่อยเบิกกว้างไปด้วยความสงบสุขเย็นันเบิกกว้างไปถึงผู้เกี่ยวข้องใกล้ไกตลอดทั่วถึงตามนัดนิคุณในสมบัติที่มีอยู่ภานใจของตัว วันนี้จึงพยางอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนตั้งจบดตั้งใจผู้มาอบรมปึกษาให้ทำมีความสนใจเสม อ, อยาสับแต่ว่ามาอยู่กั ม, มูกกับเพื่อนตามีให้ดูหมูมีให้ฟังใจให้สังเกตทุกแง่ทุกมุมจึงเรียกามาปรึกษาการจะทำเหล่านี้เราก็ทำตามแบบหลักทำหลักวินัยสิ่งที่ การทำปฏิบาทินี่กบคือท่านจันทันพาดำเนินมาแล้วเราก็หาที่ข้ามทำไมได้เราเห็นด้วยตาในหลวพระวินัยท่านก็บอกว่าก่อนดินเข้าล้างบาทถ้าไม่มีนั่นให้ล้างบาทรได้ไคืนล้างนล้วไให้เช็ดสาดน้ำที่้รเขาร้างบาท นี่ท่านจน่านท่านท่านปิทเทนบาทนี้ก็เพรอ ก, กันหนึ่งโผนนนไม่มีท่านเคยไปบินกัมบาทบ้านอะไรบ้านต้องของแดงที่น้ำกังท่าท่าถนนเราเข้าอยู่กับท่า น, นาทาง น, นั้นไม่มีญาติโยมมันก็บอกให้เทอนนัานําแต่ในบาท ควรจะถึงหมู n, oh ่บ oh, ้านแล้วค่อยสาทุกที่กันมาไม่ให้ล้างแล้วมีผงมันก็พาทำให้เห็นต่อหน้าต่าอีมาพนันหลายเพราะท่านค่อยสบายท่นป่วมาจากอุบลแล้วมาฝนที่ว่าต้องแก้เราก็รอรับท่านทีกออกจากบ้านนบุญตบ้านนากินนอนกันไปรอรับท่านมา บริเหนทัดเตรในเรื่องนี้การขบการฉันมีการปนิพพิจารณาไปสังขาโยนิโปศปินปาตังปริเสวามิเนวัตดายะนมันดายะนมันดนานญาณวิภูสนาญะยาวเดวะอิมัตยาวเดวะอิมัตอ้าลืมแล้วนึกเร็วหน่ีย ยาวเดวมัชฌกานจะสัตทยาญาตนาจะที่สัยาเบื้องมัตรญาณุกหันายอิทธปุราณันตเวเนังปฏิหังข้ามในวันตเวเดนังปาเดชสานิยาตราจะมีโหสเยณนวัตตาจะห้าสี่ห้าโรจิตอันนี้ท่านสอนได้เป็นแบบกลางๆถ้าหาว่าเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติแล้วยังเผยเผเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติมุ่งต่อการทําริง้ว ที่ทัานสอนไม่กลางๆท่านเผื่อท่านสอนไม่กลางๆน้ำหนักไม่เต็มที่การที่เราฉันนี้เรามาเรีฉันเพื่อความสึุกขนานนิ่นเรงเพื่อกําลังวางชานแบบโลกแบบทุ้งฌานในฌานเพื่อระงับพิทนาเก่าท้่ที่ยู่แล้วแลยไม่พิจนาเกิดขึ้นใน่ฉันเพื่อความอึดอัดตวยงานมานกว่าแต่เราพิจานาเอาราม อุบายวิธีของเรามันเกิดความสําลดสองเวทในการถันนั่นมันถึงใหญ่กําหนดลงไปถึงเรงปฏิปุ้กําหนดตรงไปงจนกระทั่งเห็นได้ชัดเจนบางค ร, รั้งสลดสองเวทจนมันจะถันได้ได้วนี่แก้ปรับใหมอ่อีก ม, มันก็ไม่ทันคนอุบายของกิเลส ม, มันจะเบื่อหน่ายไปอะไรไปมันแก้คลิกใหม่อีกพัก อ, อยู่ในท้องนั้นมันจริงกว่านั่นทําไม เห็นว่านั่นเป็นของปฏิกูลที่เราพิจารณาเป็นของปฏิกูลพอเป็นปฏิกูลมันเบื่อหน่ายไปแลจะฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้นันก็เป็นความผิดอันหนึ่งอีกนี่ปัญญาไม่ทันย้อนเข้ามาก็อยู่ในท้องเรานี่มันปฏิกูลยิ่งกว่านั้นอืเราอยู่ด้วยของปฏิกูลทำไมจึกลัวของปฏิกูลเป็นไปได้หรืออย่างนี้แสดงว่าเราโง่น่าพี่ป้าป้าป้าป้าปัญญาอเพราะปฏิกูลอยู่ด้วยกันมันเป็นไรอืพิ่ ก็่างที่เขี ย, ยนนะั่นในปอท่านจัดมัน่นท่างเคยพิจารณาอย่างนั้นและเราก็เคยพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันเป็นจีิๆนั่นเรียกว่าถึงใจงการพิจารณาอุบายแต่ละอย่า ง, างไมนเหมือนกันตามสริต น, นิสัยขอกผูพิจารณาเน้ยแต่ละลายที่เคยพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มันหลายเนี่ยหลายมุที่จะเป็นขึ้นมาจากการพิจารณาเพียงสังขารเดียวคนนี้มันแล้วแต่อุบายท่านไม่ ลกหลีล่ลุกหล่นในการขบการฉันเมื่อใครพิจารณาพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ลงมือฉันแต่อย่างน้อยไม่ควรจะให้ต่ำกว่าหนึ่ ง, น า, งนาทีขึ้นไปพิจาแล้วฉันไปพิจารณาไปไม่ใช่พิจารณาแล้วฉันแบบมุมามามลืมเนื้อลืมตัวไปเลยจิตมันอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตพิจารณาแล้วเรากำหนดไปพิจารณาเราฉันไปพิจารณาไปขึนไปบางมันจะสะดุดขึ้นมา ปฏิบัติรมเป็นของสำคัญมากถือเป็นงานสำคัญงานจำเป็นคืองานกรรมฐานงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาทำอะไรทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมีความจริงใจทำอะไรทำด้วยความจริงใจอย่าทำสักแต่ว่าทำเดินจงกรมสักแต่ว่าเดินไม่เกิดประโยชน์อย่าเดินให้ผาลทำเลยถ้าจะเดินแบบนร่ล่อยๆจิตเถละะไล นั่งก็นั่งแบบเมอือเลือเชื่อมหลับไปเราอย่านั่งให้มันขวางธรรมพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้านั่งภาว น, น, นาเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อใจงสงบด้วยรูปายทางการภาวนาในขณะนั่งในขณะยืขนขณะเดินขณะนอนทำคของเพียรไม่นั่งเผลไม่ น, นั่งไม่เดินแบบ คนไม่มีสติต่างอย่างนี้อย่าเอามาใช้ให้ระมัดระวังตัวทั้งหมดทุกเวลาเวลาจึงเรียกว่างานของกิจนี้เป็นงานใหญ่โตมากไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานหนักมากจะมีคุณค่าสมความหนักมากของหนักเหตุก็ผลเข้ากันได้สนิทเราจรึงไม่เคยไวิตกวิจารในความเขียนของเราที่เคยได้สมบุกําบันมาตั้งแต่เวลาประกอบความภากเปลี่ยนไม่ได้นึกเลยว่าจะได้มาสัมผัส เพื่อนผูกอย่างนี้นึนกว่็ จ, จะตายไม่ตายให้รู้มันมีสองแง่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องสมบุกสมันจริงไม่ต้องโทษพูนบ่งทีเหมือนกับคนตายแล้วอยู่คนเดียวยี่เหลี่ยมมันก็หลอกเหมือนกันนะเออธรรมาโลกทุกสารเขาอยู่ได้ด้วยความเป็นฐานลึกองไม่ต้องมาฝึกมาทรามานให้ลําบากลาบนเหมือนเราหนีเราบวชมาแล้วขันคนเดียวเท่านั้นก็ยังไม่แล้ว ยังต้องมาอดอีกกี่เมื่อกี่วันหาลลมหายใจออกทางหูไม่ได้ออกทางจมูกเดินไปที่ไหนโซซัดโซเซเสียหกล้มกลงก่าดกสุดธนมานติดใจเ่านี้เป็นคนอำนาจวัฒน์ไม่ยีอำนาจวัฒนาบ้างเหรอเป็นคนเอาความวัฒนาหนักเหลือถึงได้มาอยู่เป็นแบบแดดในสถานที่ที่ใครไม่ตราถนาอย่างนี้ก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนหาสาราามาได้จึงมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้ ผิดพว ก, กนะกิพอจะทํานะปั๊บมันแก้กันปุ๊บพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะจัดรูปเป็นศาตดาเอกของโลกท่านอยู่เกินคนวุ่นวายในตลาดหลวงเหรอหน่ะถ้าตลาดหลวงเป็นของประเสริฐเลิศโลกคนอยู่ในตลาดอยู่นั่นทํำไมมันไม่ประเสริฐอ่าวเทียบกันนะถ้าเห็นว่าสถานที่จุนุ่งชนหรือตลาดหลวงเป็นต้นเป็นสถานที่ให้คุณงามความดีให้ความประเสริฐเลิศเลยแล้ว ทำไมคนจึงไม่เห็นเลิอดเลือกันเราเข้ามาสู่สถานที่นี้เพื่อจะกั้นกรองสิ่งที่เป็นโรคภูมงลังกาจิตใจออกด้วยความเพียรอันเป็นสถานที่จากสถานที่เหมาะสมทีนี้ทําไมจึงมาทําหนิติเกียนตดเวลาที่เรียนเ ข, าข้าครอบนําหัวใจทําไมไม่ติดเตียนเาจะเอาทําเข้าสดับใจบ้างทําไมตีเตียนแต่เรามาปฏิบัติธรรมทาไมจึงจะต้องเป็นอย่างนี้ เราอย่างอยากเกิดตายเกิดตายเกิด อ, อ, อยู่นี่จับจองป่าช้ามันมีจิ้นสุดจุดหมายการทางเหรือนะมันแก้กันพบเท่าทันหายห่วงไปเลยอเราตายก็ตายที่ถ้าเป็นลูกศรริตย์ทศกัณคตรเคยเห็นอยู่แล้วในายต้องสาวาว่าสาวว่กับประวัติหรือว่าพระไตรจ้าวต้งทําอย่างไรเ้าเป็นลูกศิตย์ทคตต้องอย่างนั้นไม่ต้องหมายประชา้าเราตายก็ตายเป็นก็เป็น สู้ไม่ถอยกิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนั่นแหะคือค่าศึกประจย์นหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเราจะถอยมันหลับนอนครอบคร อ, อบอยู่ด้วยความประมาทได้อย่างไรเราต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้ทุกประเภท ข, ของกิเลสที่มันยกกองพลกองพันเข้ามาหรือภายในมันขึ้นรับกับทางนอกเป็นค่าศึกภ า, ายในขึ้นมาเอาทาย น, นอกเข้ามาบวกผสมกันเข้า เนือการเป็นกองเพิงทั้งท้งดวงใจนี้มันดีแล้วหรือฟาทกันยังหลักหน่องเหมือนมันถูกบังคับบัญชาฝึกทรมานอย่างไม่หยุดไม่ถอยมันก็มีขณะหนึ่งจนได้ที่มันจะปวบตรงสิ่งเหล่านี้ออกได้จิตใจมีความสว่าไสวัอยู่ที่ไหนก็สมายนั่นเมื่ออุบายทันมันตันงนั้นคำว่าทำอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหน กับคําว่ากิเลส จ, จะเข้าใจไปอยู่ที่ไหนกิเลสแท้ฝังอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจความระบางมาของกิเลสที่ออกมาทางขันขันห้าออกมาทางลูกอะรแบบตาหูจมูกลิ้นกายอออกมาจากใจออกมาทางนี้นี่ออกมาทางเรทนพนาพนาทางขันน่ไง ี่ทางระบายออกของกิเลสตัวกิเลสจริงๆฝังอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นทางเดินทางหากินของกิเลสปัญญาธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจอันเดียวกันผุดค้นป่าฟันไปความเพียรก็อยู่ที่หัวใจใจพาเพียรคนตายแล้วมันมีความเพียรเราจะไปเพียรเวลาไหน ถ้าเราไม่เพียรเวลาจะมีชีวิตอยู่กําลังต่อสู้กับข้าศึกอยนี้เราจะไปเพียรเวลาไหนเราจะสู้เวลาไหนถ้าไม่สู้กับตอนเวลาที่มีข้าศึกประจันหน้าอย่างนี้คือพิเศษมันอยู่ทุกระยะนี่อยายในจิตใจของเราเราต้องดูที่นี่พิจารณาที่นี่สู้กันที่นี่ไม่ถอยนี่คือผู้สู้ในจุดที่สําคัญที่ถูกต้องสู้ด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรทนทนลงไปอดต า, อตายก็ตายไม่สออไม่ถอย เอาให้จิเลศตายคือบายมีเรียกว่าทำทำปภายเหตุนี่ทำปลายผลการทำปลายผลก็คือความสงบเย็นใจความสว่างกระจ่างแจ้งเพราะอำนาจแห่งการถอดถอนจิตเรศด้วยมากคือเหตุโดย ล, ล, ลําดับกันจิตใจก็สง่างามขึ้นภายในใจ นี่คือการนบกับกิ่งเรศสถานที่เราหาสถานที่เหมาะสมไปอยู่สถานที่ใดถ้าอุบายวิธีหรือการทําความภาคเพลินเรามันด้อยมันก็ด้อยอยู่กับตัวของเราเองยิ่งเรศก็เหยียบย่ำทำลายได้เหมือนกันตัณห า, าตัณตาที่นี้พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยสถานที่ใดก็ดีสถานที่เหมาะสมได้แล้วยิ่งส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นให้รวดเยิย่งขึ้นนะเพระเนาะฉะนั้น การไปไหนมาไหนให้ใช้ทิ้งความณิพิจาโดยเหตได้วยผลผมสอนมู่เพื่อนไม่ปราศจากเหตุผลนำมาสอนโดยอับโดยถรรมคิพิจนาเวลาผู้ผู้ใดไปก็ดีไปเที่ยวที่ไหนอยู่ที่ใดก็ดีจึงไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะไปแบบเลอะร้อนๆหาให้ผลไม่ได้ไม่สมกับมาศึกษาอบรมกับเราที่ทุ่มเท ททั้งหลายให้เพื่อนฟัด้วยเหตุผลเต็มทีิกำลังความสามารถต้องการตั้งแต่เหตุผลเท่านั้นเพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องแก้จิตใจให้เราได้ดีเหตุผลคือทำม <c oughs> ี่เป็นหลักใหญของการปฏิบัติอะไรนี่เหลือมันห้อมร้อมเราเราต้องสู้ใได้ยินแต่เราคาดิด ล้อมบ้านล้อมเมืองที่เหลือล้อมตัวเราเราไม่ได้คิดเพราเราต้องบุกเบิกเอาีิเดลดให้พังพินาศางไปตัวไหนเกิดขึ้นอย่าถือว่ามันเป็นคุณถือว่าเป็นข้าสุกทั้งนั้นจิตใจมถึงตั้งได้มันถึงตอบมีค่าต่อสู้เสมอก็อให้ปินให้จังการจะตั้งหลัก ผิดให้สงบเบื้องต้นต้องเอาหนักมือนะไม่หนักไม่ได้ผู้ผิดไม่มีหลักเช่นหาความสงบไม่ได้เราจะอยู่ทําไปแบบสุมส่มทีสุ่มผ้ายักหลับนะครับอยากนอนก็นอนทำอะไรก็ทําไปตามภาษีภาษานั้นใช่ไม่ได้เลยตอนนั้นตอนต้องหนักมือเต็มที่เพื่อเอาความสงบกามาฝูใจให้มีที่อยู่มีที่ยับยัง้งเมื่อใจมีที่อยู่มีที่ยั้งแล้วก็เหมือนเราข้ามมีต้นทุน พอค้าแม้จะไม่มากก็พอมีต้นทุนทำการค้าขายเมื่อใจมีความสงบเย็นบ้างก็พอมีฐานที่อยู่อย่างใจมีที่พักร้อนสงบเย็นแต่จากนั้นก็เร่งความภาพเพียรลงไปเอาจริงเอาจังไม่งั้นไม่สงบทาไม่สงบ ด, ด้วยอารมณ์ของสมถะ เช่นกำหนดบริกรรมมีอนุปาหะปุเป็นต้นก็ฝ้กฟันกันด้วยปัญญาคนเราไม่มีโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าจนกรอบเป็นมุมแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่จะช่วยตัวเองอัตตาเหตตโนนาโถจะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลานั้นนี่เราได้เห็นประจักษ์ใจแล้วไม่ใช่นามาสอนพังเพลาเฉยเวลาจนกรอกเป็นมุมแล้วจิตมันหมุนติ้วเปลีนค้อนดูทุกเวทนาน เออเวลามันเกิดขึ้นมากๆในร่างกายเหมือนมันจะแตกไปหมดทั้งร่างนี่แหละร่างกายมันมีแต่กองเทิงทั้งหนึ่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทับถมจิตใจแต่ใจก็ไม่ถอยค้นพิจพิจารณาแยกดูธาตุดูขันแยกดูกายให้ชัดเจนแยกดูเวทนาให้เชัดเจนด้วยความจงใจด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อขุดค้นกันไม่หยุดไม่ถอยคำ ว, ว่าจดจ่อคือสติจ้อลงไป ติตตั้งลงไปสติบังคับลงไปปัญญาขุดค้นลงไปถ้าเห็นตามความิงเพราะความจริงก็คือรูปก็สับแต่ว่ารูปเท่านั้นนี่ก็คือความคือความจริงเต็มส่วนเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยก็สับแต่เวทนาตอนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเหมือนกันหมดสัญญาความหมายสังขารความคิดความปรุงมันก็สัว์แต่ว่ารากับจริงย่เยือกเหมือนกับพยับแดดก็ดับไปดับไ ป, บไปหรือแสงยิยง่งห้อยดับไปดับไปนี่ ริญากรับเวทภาพระดับต่ไปๆหาสาระกฝงสาระไม่ได้แในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนั้นมันจะต้องถือทุกเวทนาเป็นสนามรบเราอยากจะกําหนดอยากให้มันหายนะไม่ได้นะอยากให้มันหายไม่ได้ความอยากให้หายนั่นแหละคือสมุทัยเสริมทุกข์ให้มากขึ้นอีกเราอยากรู้ความจริงนี่มาก ความอยากผิดกันอยากให้หายเป็นสมุทยอยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญาแล้วขุดคน้นลงไปนี้คือมาไม่มีอยากได้เลยที่เหลือมันยังอยากมันยังพอกพูนขึ้นมาด้วยผลนห่งความอยากของมันมาค ก, ก็ใช้ความอยากเป็นเครื่องพอกพูนขึ้นมาเื้อนมาถึงการกระทํามื่อทงปัญญาเมื่ออยากแล้วก็ถอยไม่ถอย ท่เหลือมันค่อยหลุดรอยไปหลุดลอยไปพอเราเข้าใจชัดในเรื่องทุกเวทนาเท่านั้นเราจะเข้าใจชัดในเรื่องการเพราะแยกกันอยู่ในขณะนั้นมันจึงหมุนเป็นตัวเป็ น, เ ป, นเป็นกคงจักไปเลยนะนะจิตทุกข์มากเท่าไรมันอยู่ไม่ได้อยู่เฉยขฉไม่ได้เอาหมุนติวติวคน้นดูหาความจริงกำหนดดูกายส่วนไหนดูมันจนกระทั่งมันเห็นชัดเจนหนังกระสับกระสับหนังอุ้งเท้กระสับกระสับอุ้ง เจนากเจวเจเฉพาะอย่างยิ่กระดูกที่ว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงนั้นมันก็สั์แต่ว่ากระดูกมันกระดูกหมูกระดูกหมากกระดูกวัวกระดูกควายทิ้งเกินในตามถนนทางมันไม่เห็นบ่นว่าทุกทําไมกระดูกเรานี่มันเป็นกระดูกเหมือนกันมันว่ามันเป็นทุกได้อย่างไงนันดูจริงจมันก็สักแต่ว่ากระดูกมันไม่นิยมว่ามันเป็นจุดเป็นทุกอะไรเลยแล้วไปเสกสรรพันยอมต่างหานี่แน่พอมันเข้าใจงั้นแหะมันถ่ายแล้วก็นดดูเวทนากับ กระดูกเป็นต้นนั้นอ่ะมันเหมือนกันไหมในกนาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ น, นั่งภาวนานี้กระดูกมีมีมาตั้งแต่วันเกิดถ้ามันเป็นอันเดียวกันทุกขเวทนาดับไปทําไมกระดูกไม่ดับไปด้วยล่ะนันกระดูกมีอยู่เมื่อไรทุกขเวทนาต้องมีอยู่เมื่อนั้นที่ทุกขุลาประเภทนี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงนี่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันเราพูดอย่างเราเรากําหนดอย่างนี้เราต้องดูอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้อยู่เป็นประจําไม่ยอมให้หนีจากเป้าหมาย แล้วก็แยกย้อนมาดูใจใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้รู้มาตั้งแต่วันเกิดรู้เรื่องตั้งแต่วันรู้จักเป็นสาภาวะสิ่งนี้มีเกิดมีดับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดับมันรู้กันตั้งมันเนี่ยสามสิ่งนี้สําคัญมากถ้าจะเคยพิจ า, า, ารณากายเวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นนจิต <It. S 1> คนดูตัวอย่างชัด เปลี่นได้ที่นี่หนึ่งทุกเวทนามันก็เบาลงไปเบาลงไปความกิงอย่างเข้าไปความซึ้งของกาสักจักรวาลความซึ้งของเวทนาสักแต่ว่าเวทนาความซึ้งในทางใจสักแต่ว่าใจสักแต่ว่าร้ด้วยปัญญาซึ้งเข้าไปซึ้งไปนี้อันนั้นทุกเวทนาก็ดับรู้ไป ไปไหนเนี่ยที่นีทอดเป็นของอันเดียวกันทำไมจึงดับไปเลยกันนาเนี่ายดับไปด้วยไม้กาิจก็ไม่ดับหินดับไปด้วยไม้กิจก็ไม่ดับคําว่ากลัวตายอะไรตายคนดูธาตุดูขันมันก็มีธาตุสี่ดินนั้นลงไปมีมาติดใส่ดังเดือมันตายที่ไหนต่อชาติมันมีที่ไหนกิตตัวมันตายนี่มันตายที่ไหนมันตายไหเนี่ยดูยิ่งยิ่งเด่นที่นี่เราพิจารณาเมื่อมันยิ่งเด่นความรู้นี้เด่นแล้วมันตายได้องไหนนั่ะ พ, พิจารณาซึ่งเต็มที่แล้วทุกเวทนาไม่ต้องบอกหนึ่งดับไปเลยสองแม้จะมีทุกเวทนาอยู่ก็ไม่สามารถที่จะแทรกอีกได้หนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรกระทบกระเทือนกันเพราะต่างอันต่างจริงไม่รบกัน น, นี่เราได้หลักเกณฑ์อย่างอัศจรรย์โดยสติปัญญาที่ต่อสู้เพื่อความจริง อยากรู้ความจริงได้รู้ความจริงแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อคาว่าทุกข์สัตว์เป็นความจริงอย่างนี้เหรอท่านว่าทุกข์สัตว์ทุกครั้งอายะสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอชัดด้วยใจหายสงสัยในการพิจรารณาร่างกายถ้าจะพิจรารณาให้เป็นอริยสุภังก็ดูพิจรารณามันตัดฟันขาดทางทลายหมดในร่างกายไม่ใมันหนีจากนี้กาหนดพิจรารณา หลอกออกตั้งแต่หนังเฉือนเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงมีแต่โครงกระดูกอ ว, วัยวะภายในก็พังทลายลงไปเกลื่อนกลเต็มไปด้วยปฏิกูลโศโรกทั้งหมดนี่ควรถือได้ยังไงดูสินี่นีน่จะเป็นพิจารณาเรื่องอสุภะอสุปังในขณะเดียวกันก็เป็ น, นกอกสารผู้ขังหนาตาไปพร้อมกันอาปลสภาพ เป็นไปนเรื่อนี้คือหลักการพิจารณายานีกระจากกายจากใจศัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้การแยกพิจารณาภายนอกไม่ขัดข้องขอให้เป็นมรพิจารณาเพื่อมรพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงในสิ่งที่มันขัดข้องหรือติดพันเห็นไปรักไปชงังไปโกรธไปเกลียดกับอะไรก็นํามาพิจารณาให้ได้ความด้วยปัญญาก็ถูกต้องเป็นมร ข้างนอกก็เป็นมรคข้างในก็เป็นมรคเมื่อพิจารณาโดยทางปัญญาให้ชอบธรรมถ้าทํให้ถึงถ้ากงกันข้ามแล้วมันก็เป็นสมุทยัยร่างกายเป็นของสวยของงามอันนี้เป็นต้นก็เป็นสมุทยัยข้างนอกสวยงามเป็นต้นก็เป็นสมุทยัยขั้นพิจารณาปัญญาให้เอาจริง เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งสนาที่จะทำความสงบอย่ายุ่งกับเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ใจปพะ่อสมรธินอกจากขั้นที่จิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ปล่อยเรื่องของปัญญาไม่เข้ามายุ่งเพราะจะให้จิตพักการวิญญาณทางบ้านปัญญาเขาเรียกว่าทำงานปกติ ปิดมีความสงบเราเคยพิจารณาแล้วชอบกับพิจารณัน้นนีบเ่ำๆไปเรือยๆเป็นธรรมดาไม่รุนแรงอันนี้ก็พิจารณาไปได้กนไม่ว่าขัดข้อแต่ถ้าจะม ถ, ถึงกับความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายนจิตใจแล้วต้องพักจิตเวลาพักจิตนั่นแหละไม่ต้องให้เรื่องปัญญาเข้ามายุ่งเลยทำหน้าที่สมถะ เราจะเอาคำใดมาเป็นเครื่องยึดของใจให้ใจอยู่แบบนั้นให้มีงานทำงานนี้เป็นงานเพื่อความสงบเช่นคำบริกรรมคืองานเพื่อความสงบการคิดค้นในสภาวะธรรมต่างๆเป็นงานเพื่อถอดตัวถอนแต่ก็เป็นความวุ่นวายอันผึกกันอันนั้นไม่สงบเพราะทำงานจะเอาความสงบมาจากไหนท่านจึงต้องสอน ใพักหรือุทจาจะอุทจจะุกนไม่เข้าใจานส่งด้วยเบื่อง บ, งบนอุทจจะความฟุ้งเกินตัวไม่รู้จะประมาณในการพักเป็นกัจจือมันเทินต่อการพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเพราะเคยได้เหตุได้ผลเคยถอถอนจีเลียดด้วยอนานาจของสติปัญญานืก็เทินในการพิจิิิิิิิ่อิิิิเิิิิิิิิิิิ อ, อิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ นั่นแนหะความรู้จัประมาณท่า น, นอุทัศจักความพุ้งความเพลินเกิดไปเพลินในการคา้นคิดนิพิจรณาไม่ใช่อุทัศจักเพินแต่ตามโลกฐ า, านมนฐานนะอันนั้นมันเป็นอุทัศกูรุจักซึ่งเป็นนิวรท่าที่มีอยู่ทั่วไปในะสามัญชนเร า, าอุทัศจานี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทัศจานี้เป็นสัมยชตเบื้องบนเป็นขั้นของอรหตัตธรรม เมื่อมันผ่านนั้นไปแล้วก็เข้าใจอ๋อการค้นไปแล้วนไม่หยุดไม่ถอยนั้นก็เป็นความผิดอันหนึ่นรู้มันคดมันโค้งที่ตรงไหนทางเดินของเราก็รู้มันตรงตรงไหนมันผิดถูกประการใดเมื่อผ่านไปแล้วมันก็รู้ ร, รู้รู้เป็นครูสอนทั้งนั้นทัศจกักอวิชชา อุปราคาอุปาคาอุทจาระอุปราคาอุปราคาปฐปุกขาไรอุอุทจาริชชาเริ่มลงดูมันก็ลงบนจิตฝามิชาเลยนเดียท่านมิชาถือจิตดวงนั้นนะ แต่เป็นเปลือกมันกินมันทั้งมันสดๆนั่นแ่ะไม่เดตุ่มเลยหมกไปแล้วคันคอจะตายวางเลยต้มก็กว่าเผาไปดกว่ากอืไกรพริษมันออกจากหัวมันมันหมดให้เหลือแต่รสธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวเปลือกของมันที่สุกแล้วนั้นนั่นอร่อยนะจิ้น รถธรรมชาติที่มีอยู่กับใจโดยสุดก็เช่นเดียวกับรถธรรมชาติที่อยู่ในหวเปลืของมันที่ต้มสุดแล้วนั่นแหละอทําหมสุขเป็นยังไงมันคันจิตนี้มันก็ทําให้ขันเกาสลอกปอกกรดไปหมดยุ่งอยู่เป็นสุขไม่ได้เพราะจิตมันขันคันด้วยผลิตพอจิตสงบลงไป ควคันก็เบาใจเราเลาเขาถึงจิตจิตก็ยังขันวิชาอีกทีหนึ่งว่ามันแตกกระจายออกไปด้วย ป, ปัปทธรมแผดเผาจนไม่มีรถที่เป็นพิษเป็นภัยมันคัเหลืออยู่เลยอย่างนี้ที่นี้นอกหลังนี่นั่นแล้วเป็นข้อมือสุดทีนี่มันข้อมือสุดมีแล้วรถธรรมชาติมันก็มีในนั้น รธรรมชาตินั้นท่านเรียกว่าปรมาณุก ข, ขังอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธ์ต้นดวนเวทนาจึงเป็นนั้นว่าหมดปัญหาตั้งแต่ขณะวิชาถูกมรรคสังหารลงไปอย่างราบคาบม่นีอไรเแล้วเวทนาทั้งสาม ส, สุขเวทนา ทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาทางใจตืงนไม่มีในกกีนาศหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ปรมังสุขขังเท่านั้นเพ ร, รพาะเหตไเพราะภาาทั้งสามนี่เป็นสม ม, มุิจิตนั้นเป็นจิตตวิ ม, ม, มุติจึงเข้บกันกับสมมติมาได้หรือสมมติเพื่อไม่ถึง ถ้าเราอยากถึงความเกี่ยอสมมุติเอื้อมไม่ถึงหรือไม่เป็นสมมุติธรรมชาตินี้ตายตัวแล้วในความเป็นมุดจึงไม่หวังจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมมาเป็นเครื่องเยียบย่ำทำลายตนอีกต่อไปเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทรรมานิ่งสมมติธรรา น, นะครูท่า น, นี้เดีวก่อนต่อไปท่านบรรยายนิยามมุขว่า